ที่คนเราจะสนใจธรรมะจริงๆนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะว่ามันมีสิ่งดึงดูดใจให้คนเราหันเหไปทางอื่นเยอะเช่นความสนุสนานหรือความสุขจากการเสพการมีการได้เราเรียกว่าความสุขทางโลกหรือจะเรียกว่าเป็นวิถีทางโลกก็ได้ คนส่วนใหญ่ก็หันเหไปทางนั้นซะเยอะทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินในการหาความสําร็จสำ ร, ราญก็หมกมุ่นกับการหาเงินหาทองซึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่เพียงแค่หาอยู่หากินหรือว่าเพื่อความอยู่รอดนะแต่ว่ามันเพื่อความมั่งคั่งเพื่อความอยู่ดีกินดีนะแต่ก็มี มันจะไม่น้อยนาะที่หันมาสนใจธรรมะเนี่ยส่วนก็เกิดจากการได้ฟังธรรมอาจจะเป็นพ่อมีคนชวนหรือบังเอิญนะบังเอิญได้ยินได้ฟังอาจจะเห็นเริ่มจากการเห็นข้อความบางข้อความที่สะดุดใจ หรือได้เห็นได้ฟังคลิปนะวิดีโอนะที่ทำให้เกิดความฉุกคิดขึ้ น, นมาอันนี้ถ้ามาถึงสมัยนี้นะสมัยก่อนก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนชักชวนหรือว่าได้เจอครูบาอาจารย์ที่พูดกระทบใจ หรือทำให้สะดุดใจขึ้นมาก็เลยเริ่มติดตามจากการฟังธรรมก็เป็นการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยนะหรือว่าเข้ า, ขาหาธรรมแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็มีหลายคนนะที่การเข้าหาธรรมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการหักๆเฮเลยมีจุดหักเฮ ของชีวิตที่ทำให้หันมาสนใจธรรมะจุดหักเหที่สำคัญเนี่ยก็มักจะได้แก่ความทุกข์นะเช่นสูญเสียคนรักเป็นพ่อแม่สามีภรรยาหรือลูกหรือบางทีก็สูญเสียของรักเช่นทรัพย์สินถึงขั้นล้มละลาย เป็นนี่เป็นศิลปหรือว่าเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายรักษาได้ยากทาั้งทางกายทางใจก็ทำให้ทันมาสนใจธรรมะในสายวิตรการนี่มีตัวอย่างแบบนี้เยอะเลยนะที่เคยเล่าอยู่หลายครั้งก็เช่นนางกีสาวคุโตมีนางปตาจารา ศู์เสียลูกสูญเสี ย, สสยทั้งสามีทั้งพ่อแม่ลูกก็ไม่ใช่แค่ลูกคนเดียวที่เสียนะเรียกว่าเสียทั้งสองคนหมดเนื้อหมดตัวไปเลยจนกลายเป็นเสียสติหรือคลุ้มคลั่งไปหรือว่า ค่อนๆหรือว่าปริมริมนะที่กลจลิตหรือบางคนก็สูญเสียคนรักอย่างสันติอัมมาทั้งสามท่านที่พูดมานี่ตอนหลังก็ได้เป็นพระอรหันต์นะชีวิตเปลี่ยนเพราะความสูญเสียเกิดความโศกความคร่ำครวญจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็หลายคนเนี่ยชีวิตหักเหได้ก็เพราะการสูญเสีย บางทกีก็จะไม่ได้คนรักก็ไม่ได้ตายจากไปนะแต่ว่าเขาเลิกทางก็เหมือนก็จากเป็นนะนะก็ทำให้เสียศูนย์ไปเลยแล้วก็ได้หันมาสนใจธรรมะเป็นเครื่องอ่าทีแรกก็เป็นเครื่องปลอบประโลมใจแต่ต่อหลังก็ทำให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมา ที่เป็นกันมากคือความเจ็บป่วยน ะ, ะเจ็บป่วยโรคมะเร็งก็ทำให้ชีวิตหักเหหันมาสนใจธรรมะเพราะรู้ว่า เ, เงินทองที่มีสมบัติที่สะสมมามันไม่ได้ช่วยเลยไม่ใช่แค่ไม่ช่วยความทุกข์ทางกายคือโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นแต่ว่า จะไม่สามารถจะช่วยความทุกข์ทางใจได้อันนี้เราหันมาสนใจธรรมะเพราะเจอทุกข์ที่มันบีบคั้นใจแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยนะที่หันมาสนใจธรรมะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เจอทุกข์เลยแต่ว่าเวลาเนี่ยก็สิ่งที่มีสิ่งที่อยากมีก็ได้มีเรียกว่ามีความพั่งพร้อม แต่ว่าพบว่าแม้มีเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถจะเติมเต็มความรู้สึกพร่องในใจได้คือเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะรู้สึกว่ามันสิ่งที่มีเนี่ยแม้จะมีสมอยากแต่มันก็ไม่ได้ช่วยทำให้มีความสุขอย่างแท้จริง อย่างในสาตัการเนี่ยนะมานบสองคนเนี่ยอุปติสสะโกลิตตะเนี่ยซึ่งภายหลังก็คือภาษาริบุตรพโมคัลลานะเนี่ยก็เรียกว่าชีวิตนีราบเรียบราบรื่นนะครอบครัวดีมีบริษัทบริวารเยอะใช้ชีวิตยอย่างสำเริงสำราญก็ ใช้เวลาเนี่ยกับการเสพมารสพหาความบันเทิงตามภาษาคนหนุ่มแต่พอมาถึงจุดหนึ่งนะก็พบว่ามันก็เท่านั้นแหละมีวันหนึ่งไปชมมารสนมาแต่ก่อนนี่เคยสนุกสนานแต่คราวนี้รู้สึกเบื่อมันดูเหมือนจืดชืดเกิดความส่ามันก็เท่านั้นแหละ แล้วก็เลยหันมาสนใจวิถีทางอื่นเริ่มมาหันมาสนใจเรื่องการาดับทุกข์ทางใจหาความาความสุขทางใจที่เราโมกคดทำแล้วก็เลยเริ่มออกบวชนะที่แรกก็ไปบวชกับสัญชัยปริพาชกนะแต่ว่าก็ยังไม่พบคำตอบ จาทาไปเจอนกรทังอุปติสสะไปเจอไปพบพระสัชินะแล้วก็เลยได้รู้ถึงคำสอนของพุทธเจ้าเ <c oughs> พียงแค่คำพูดสั้นๆของพระสชัชยวว่าเนี่ยสิ่งใดเกิดแต่เหตุนะพระธราคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมและความดับแห่งธรรมนั้นนี่เป็นคำสอนของพระมหาสมณะก็คือพุทธเจ้า รู้เกิดปัญญาเลยนะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยเช่นเดียวกับมโกลิตะนะพอได้ฟังธรรมประโยคเดียวกันนี้ก็บรรลุธรรมกันอันนี้ทํานไม่ได้มีความทุกข์อะไรเลยนะไม่ได้มีความทุกข์ในความหมายที่ว่าสูญเสียพัดพรากจากคนรักเพียงแต่ว่า ไอสิ่งที่มีสิ่งที่ได้รับหรือความพั่งพร้อมบริบูรณ์เนี่ยมไม่ได้ช่วยทำให้ความสึกพร่องในจิตใจมันหายไปความเบื่อเนี่ยความเบื่อจากการใช้ชีวิตที่สนุกสนานจากการมีการได้เนี่ยมันทำให้หลายคนเนี่ยหันเหเข้าหาธรรมะเพราะรู้สึกว่า จิตใจยังไม่ได้รับการเติมเต็มแม้จะมีมากแต่ข้างไหนก็พร่องก็เหมือนกับยศกุลบุตรนะนะยศกุลบุตรนี่ก็เรียกว่าพรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยวัตถุเจ้าชายเสด็จัตมีประสาสามหลังอย่างไรเนี่ยยศก็มีอย่างนั้นเหมือนกันก็อยู่ความสรุสรสังรานไม่เป็นอันทไม่ต้องทางาน วันๆก็มีกิจมีใช้มีความบันเทิงเริงรมให้เสพก็ดูเหมือนว่าจะมีชีวิตที่ผาสุขนะแต่ว่าวันหนึ่งกลางดึกตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นนางฟ้อนนางรำนอนนะหลับไหลกายกองกันบางก็น้ำลายยืดบางก็ผ้าพลุดลุย่ยก็ สิ่งที่เห็นเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นซากศพที่นอนกองอยู่ก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาที่จริงแม่จะไม่เห็นภาพ น, นั้นนีแต่ว่าคิดว่าก็คงจะมีความเบื่อมาสะสมมานานทีเดียวทั้นนั่นที่มีสิ่งเสพมากมายนะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าบางอย่างขาดหายไปจากชีวิตอันนี้ก็เรียกว่าความพร่องนะ มีความพร่องมีความว่างเปล่าบางอย่างเกิดขึ้นในใจและพบว่าวัตถุสิ่งเสบเนี่ยมันไม่ได้เติมเต็ ม, ตมจิตใจจนเกิดความสึกเต็มอิ่มหรือพอใจเลยก็เลยร้ส่วนนี้ไม่ใช่แล้วนะจึงเดินออกจากปราศาทเนี่ยอย่างไรจุดหมายแล้วก็พูดว่าเนี่ยที่นี่วุนวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ ไอ้ที่นี่เนี่ยไม่ใช่สถานที่นะเป็นใจมากกว่าจนกระ่ังเดินไปถึงป่าสิปฏนาเมลกัยวันเนี่ยไกลทีเดียวนะจากกรุงพรลนรีเนี่ยเดินเรื่อยเปื่อยไปด้วยความเบื่อหน่ายสุดท้ายก็ได้พบพระ เ, เจ้านะพระเจ้าแต่วันที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องสะดุดใจขึ้นมาก็เลยหันมาสนทนาพูดคุยแล้วก็ได้โอกาสฟังธรรมจากพระเจ้า แสุดท้าก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพอบวชก็ได้เป็นพระอรหันต์นี่จรงไม่ทันได้บวชได้ซ้ำนะก็ได้เป็นพระอรหันต์แล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบุคคลนะจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เข้าหาธรรมเนี่ยทั้งที่ชีวิตไม่ได้มีความทุกข์ประเภทพัดพรากสูญเสีย จนกระทั่งเกิดความโศกความคร่ำครวญหรือเกิดความตื่นตระหนกตกใจเกิดความท้อแท้ในชีวิตแต่มันเป็นความเบื่อเป็นความเบื่อจากการที่มีสิ่งเสพสมอยากด้วยนะไม่ใช่ไม่สมอยากที่บอกว่าในปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยก็เป็นทุกข์แต่ทั้งกุปฏิสากุลิตะนี่หรือยัายานี่ ปรารถนาอะไรก็ได้นะแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปในชีวิตแลวพบว่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นรู้สึกเกิดความพร่องขึ้นมาไม่ได้ถูกความบีบคั้นเพราะความโศกความเศร้าแต่เป็นความพร่องก็เลยต้องหันมา หาหนทางอื่นที่จะมาช่วยเติมเต็มสิ่งนั้นนะซึ่งเราจะนเรียกว่าความสงบใจก็ได้นั่นก็มีผู้คนนะจำนวนมากที่หามาสนใจธรรมะเนี่ยในยุคนี้เนี่ยก็เพราะความรู้สึกเบื่อหน่ายนะกับสิ่งที่มีเบื่อหน่ายกับชีวิตที่เป็นอยู่ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นความสําเร็จเป็นความพรั่งพร้อม แต่ว่ามันไม่สามารถจะเติมเต็มบางอย่างในจิตใจได้เมื่อทั้งยีิปีก่อนมีนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งนะในไทยเนี่ยชีวิตแกก็น่าสนใจนะมีช่วงหนึ่งชีวิตนี้ตกต่ำย่ำแย่มากเพราะว่าธุรกิจของครอบครัวเนี่ยเป็นหนี้ถึงเจ0 0พันล้านนะในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ย เพราะว่าไปกู้เงินจากต่างประเทศมาเป็นเงินดอนเนี่ยแล้วค่าเงินบาทมันตกเนี่ยนี่นีเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยเจ็ดพันล้านเมื่อยี่สิปีก่อนก็อาจจะประมาณหมื่นสองหมืล้านในปัจจุบันเนี่ยดยพ่อนี่ต้องเรียกให้มาให้ลูกแม่มาช่วยให้นักธุรกิจคึเนี่ยมาช่วยฟื้นกิจการแกเก่งนะ สปีนี้ก็สามารถจะปลดนี้ได้เป็นธุรกิจกอ่อสร้างนะระดับประเทศเลยอีกสามปีนี้ก็สามารถที่จะสร้างกําไรเพิ่มสินทรัพย์จนกระทั่งนี้เป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์หนึ่งสองหมืนล้านนะกลายเป็นเศรษฐีหมื่นล้านภายในเวลาไม่กี่ปีก็น่าจะเป็นคนที่มีความสุขนะ แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเกิดเบื่อนายนะกับชีวิตนักธุรกิจนะแกบอกเนี่ยชีวิตผมเนี่ยหมดค่าแล้วหมดค่าทางธุรกิจแล้วไม่ใช่เพราะไม่มีที่ไปนะแต่ว่ามันเกิดความเบื่อนายชีวิตผมไม่มีความหมายเลยมันก็แค่เศรษฐีหมือล้านคนหนึ่งคือเขาบอกว่าเนี่ยการเป็นนักธุรกิจหรือการที่มีความสรใจทางธุรกิจมันไม่ได้ช่วยเติมเต็มอะไรบางอย่างในชีวิตให้ ให้ได้รือแต่ก็แปลกนะน่าสนใจตรงที่ว่าฐทนที่เขาจะหันเข้าหาธรรมะนะอย่างที่อุปติสสะโกริตตาหรือยัสสะเนี่ยหรือแม้แต่เจ้าชายสิทธัตถานี่ที่รู้สึกว่าชีวิตที่เป็นอยู่มันไม่ใช่แต่แทนที่จะเข้าหาธรรมนะกลับไปคิดว่าเนี่ยมันมีทางอื่น ที่จะมาช่วยเติมเต็มชีวิตได้มากกว่าในเมื่อลาบหรือเงินทองเนี่ยไม่ช่วยเติมเต็มให้เกิดความพอใจได้บางทียศหรืออำนาจนี่จะช่วยสร้างความเต็มอิ่มให้กับจิตใจได้มากกว่านะก็เลยหันไปเป็นนักการเมืองนแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรี ในชีวิตนี้ก็เข้าสูนะ่การเมืองอย่างเรียกว่าเต็มตัวอันนี้ก็หมือกับว่าเป็นหนทางที่เขาคิดว่ามันจะช่วยเติมเต็มจิตใจเขาได้นะก็น่าเสียดายนะากว่าเขาได้ใครขควรวญสักหน่อยนะว่าไม่ว่าจะเป็นลาบหรือยศเนี่ยมันไม่สามารถจะทำให้เกิดความเต็มอิ่มให้กับชีวิตได้ แต่คนจำนวนไม่น้อยนะก็คิดแบบนี้นะในเมื่อชีวิตที่เป็นอยู่ยังไม่ทำให้ฉันเติมเต็มก็คิดว่าถ้าฉันรวยมากกว่านี้ฉันมีรถมากกว่านี้มีบ้านมากกว่านี้มีที่ดินมากกว่านี้มันจะช่วยเติมเต็มข้างในของฉันได้แบบนี้ก็มีเยอะนะคือรู้ว่าเกิด ค, ความเบื่อหน่ายขึ้นมาแต่คิดว่า ถ้ามีมากกว่านี้หรือว่ า, าไปเส้นทางนี้อีกหน่อยเดี๋ยวมันก็จะเต็มแต่ว่านักธุรกิจคนนี้เนี่ยแกคิดว่า เ, เป็นนักธุรกิจก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเป็นเศรษฐีหมือล่างก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละไปเป็นนักการเมืองดีกว่านะมีอํานาจมียศมันจะช่วยเติมเต็มได้อันนี้ก็เรียกว่า ไปคิดว่าราบยศสารเสริรนี่มันจะช่วยทําให้เกิดความเต็มอิ่มพูดถึงเรื่องการเติมเต็มนะมันมีนิทา น, นไม่มีฐานไม่มีเรื่องหนึ่งซึ่งให้ข้อคิดที่ดีนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอินเดียอาจารย์คนนึงเนี่ยกแกก็มีลูกศิษย์อยู่หลายคนนะแต่ว่าที่โดดเด่ดนนีมี2คนคนนึงก็ชื่อจิตอีกคนนึงก็ชื่อชัยยา ถ้าสองคนนี้ก็ก็ดูเหมือนว่าเด่นทั้งคู่นะแล้วก็อาจจะมีความาชิงดีชิงเด่นกั น, นจิตคงจะไม่พอใจชัยยาที่ได้รับการปลดปลามากกว่าจากอาจารย์อาจารย์ก็เลยนะทดสอบภูมิปัญญานะวันนึงก็พา2คนเนี่ยไปที่ห้องนะมีห้องเปล่าอยู่ เป็นกุติเลขท้าย ก, กุติอ่นะเปล่าอยู่2หลังอยู่ห่างกันประมาณสักยี่สิมสิบเมตรนะแล้วก็ให้เงินทั้ง2คนเนี่ยคนละหนรูปีนะห้บกว่าปีก่อนรูปีหนึงก็2บาทนะบอกว่าเนี่ยใช้เงิน1รูปีนี่นะทำยังไงก็ได้นะไปซื้ออะไรมาก็ได้เพื่อให้ห้องเนี่ยมันเต็ม คนแรกเนี่ยนะคือจิตเนี่ยพอได้หนึ่งรู ป, ปีได้การบ้านมันก็รีบตรงไปที่ตลาดเลยแต่ว่าไอ้หนึ่งรู ป, ปีเนี่ยมันซื้ออะไรไม่ค่อยได้หรอกคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงนะก็นึกขึ้นมาได้เลยไปหาคนขนขยะนะแล้วก็ไปซื้อขยะมา โอ้หนึ่งรู ป, ปีนี่คนคนขยานี่แฮปปี้เลยนะจิตนี่ก็เอาขยานี่มาใส่ไว้ในห้องตัวจนเต็มเลยเสร็จนะก่อนค่ำดีใจที่งานสำเร็จส่วนชัยยานี่ได้รับมาหมายจากอาจาร์แล้วแกก็นั่งทำสมาธิสักครู่ เสร็จแล้วก็เดินไปที่ตลาดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ซื้ออะไรนอกจากไม้ขีดไฟประทีษแล้วก็ทูบนะทูบหอมเสร็จแล้วก็เดินกลับไปที่ห้องพอตกเย็นนี้แกก็จุดประทีษแล้วก็จุดทูบนะห้องนี้ก็เลยอบอวลไปได้วยกลิ่นทูบแล้วก็เต็มไปได้วยแสงสว่าง พอตกข้ามเนี่ยอาจารย์ก็มาตรวจผลงานไปที่ห้องของจิตก่อนพอเปิดประตูห้องขึ้นมาก็พังหง่ะเลยเพราะว่ากลิ่นขยะ ม, มันโชยใส่จมูกเพราะมันขยามเต็มห้องเลยเนี่ยแต่พอเดินไปที่ห้องของจิตให้ห้องของชัยยาเนี่ยพอเปิดห้องก็เห็นแสงสว่างแล้วก็มีกลิ่นทู่หอมอบอวลอาจารย์ก็ยิ้มเลยหลอด การยิมของอาจารย์นี่ก็เป็นเครื่องหมายว่าเนี่ยอาจารย์พอใจในผลงานของใครมากกว่ากั น, นอันนี้้ายเรื่องนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นนะว่ามันมีวิธีการที่จะเติมเต็มห้องเนี่ยอยู่2แบบนะอันแรกคือเติมเต็มด้วยวัตถุซึ่งสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการเอาขยะมามาใส่ห้อง อยูวิธีนี้คือการเติมเต็มด้วยกลิ่นหอมและแสงสว่างก็คืออันนี้ก็เป็นอระมาณปร ะ, ปร ะ, ประมาณนว่าการเติมเต็มชีวิตเนี่ยหรือจิตใจเนี่ยถ้าเราเติมเต็มด้วยวัตถุนเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่ได้มาก็คือขยะสิ่งที่ดีกว่าคือการเติมเต็มด้วยปัญญาและความดีนะแสงสว่างนี่ก็เหมือนกับปัญญากลิ่นธูปที่อบอวล ก็คือหมายถึงความดีอันนี้ก็เป็นอุทาหารณ์สอนใจนะคนเราเนี่ยเราจะเลือกเติมเต็มชีวิตของเราอย่างไรหลายคนก็เติมเต็มชีวิตด้วยวัตถุด้วยหาการหาเงินหาทองแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็สู้การเติมเต็มชีวิตหรือจิตใจด้วยปัญญาและคุณธรรมไม่ได้งั้นถามว่าเราเมื่อแต่กตามที่เราสึกว่างเปล่า นะหรือว่าเกิดความพร่องในจิตใจเนี่ยทั้งที่มีวัตถุสิ่งเสพมากเนี่ยมันเป็นเพราะเรายังเติมเต็มชีวิตเนี่ยด้วยสิ่งที่มันไม่ใช่คำตอบอย่างแท้จริงนะถ้าหันไปหาธรรมะหาความสงบใจซึ่งเกิดขึ้นจาก ปัญญานะและคุณธรรมเนี่ยมันจะเป็นคำตอบที่ชีวิตจิตใจต้องการมากกว่าและนี่คือสิ่งที่อุปติสสะโกลิตะเนี่ยหรือว่ายัสสะเนี่ยได้พบนะเมื่อเข้าเข้าหาธรรมะแล้วชีวิตจิตใจก็ได้รับการเติมเต็มแต่ถ้าหากว่าหาันไปหา เงินหาทองมากขึ้นเพราะคิดว่าถ้ามีมากความพอใจจึงจะเกิดขึ้นหรือถ้าไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองแต่ไปหาสิ่งอื่นมาแทนที่เป็นเรื่องทางโลกเนี่ยเช่นอำนาจสุดท้ายก็พบว่านะี่คือทางตันไม่ใช่คำตอบแต่บางคนกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วเหมือนกับที่นักปราชญคนหนึ่งชาวอเมริกันแกพูดว่าเนี่ย โงนกนาฏกรรมของชีวิตก็คือว่าการที่หาปลามาทั้งชีวิตแล้วพบว่ามันไม่ใช่ปลาที่ต้องการกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วเพราะไม่มีเวลาเหลือแล้วแล้วเมืก็าตามที่เรารู้สึกพร่องขึ้นมาเนี่ยทั้งที่เรามีสิ่งต่างๆพรั่งพร้อมเนี่ยให้รู้ทว่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรามีเนี่ยมันไม่ใช่ ต้องหันไปหาสิ่งที่ใช่มากกว่าและสิ่งที่ใช่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องขทางโลกนะแต่เป็นสิ่งที่ตอบสนองนะความสุขความสุขในจิตใจไม่ใช่พ้อเพราะเพราะว่าเงินไม่ใช่คําตอบก็ไปหาอํานาจมาแทนสุดท้ายก็จะพบว่ามันก็ไม่ใช่เหมือนกันไอ้คนนี้พูดเท่านี้นะอ๋อกราบครับ